สมสมัเรื่องราวหน้ากลลุกสยองขวัญในสังคมเราสมัยนี้มีอยู่มากไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าจากผู้คนตำนานความเชื่อหรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเชื่อวันนี้เป็นอีกเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ใครได้ฟังแล้วมันอาจจะทำให้หลอนไปตามตามกันอย่างแน่นอน เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แม่ของน้องก้าวได้เจอเข้ากับตัวเองโดยแม่ของน้องนั้นได้เล่าให้ฟังว่าสมัยที่แม่ยังสาวเพิ่งคลอดก้าวได้สองสามเดือนเท่านั้นก็ย้ายจากกรุงเทพมาอยู่ที่ลำปางซึ่งบ้านที่อยู่นั้นจะเป็นบ้านที่แม่อาศัยอยู่ตั้งแต่เด็กยายก็วิ่งมาบอกทุกคนที่บ้านว่าตาทวดหรือพ่อของยายนั้นแกตกลงมาจากยุงข้าวซึ่งเป็นที่เก็บข้าวของคนสมัยก่อน เป็นบ้านที่มีใต้ถุนสูงแล้วญาติทุกคนก็พากันไปเยี่ยมแกแม่ก็พาเก้าไปเยี่ยมด้วยเพราะอยู่บ้านคนละหลังแต่บ้านจะห่างกันไม่มากอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแม่อุ้มเก้าไปแนะนำให้ตาทวดรู้จักแกก็ได้แต่มองเก้าพูดอะไรก็ไม่ได้ด้วยความที่ตาทวดแก่แล้วอาการป่วยจากอุบัติเหตุรวมทั้งโรคคนแก่ก็ทาให้การแย่ลงเรื่อย แกจะลุกไปไหนก็ไปไม่ได้ต้องนอนอยู่ตรงกลางบ้านทั้งวันทุกครั้งที่ตาทวดรู้สึกเจ็บหรือทรมานมากๆแกจะใช้ส้นเท้ากระทือพื้นที่นอนอยู่เป็นจังหวะเป็นแบบนี้ราวๆสองเดือนในระหว่างที่ตาทวดป่วยอยู่นั้นญาติๆและเพื่อนในหมู่บ้านต่างพากันแวะเวียนมาเยี่ยม ให้กำลังใจอยู่เสมอแต่การของแกก็ไม่ดีขึ้นเลยร่างกายผอมแห้งจนหนังหุ้มกระดูกสุดท้ายแล้ววันหนึ่งแกก็จากไปทุกคนในครอบครัวเสียใจเป็นอย่างมากแล้วที่บ้านก็จัดงานศพให้แกตามประเพณียายก็มาถามแม่ของก้าวว่าจะไปงานไหมแต่แม่ของก้าวบอกว่าคืนนี้ไม่ไปไว้ค่อยไปวันอื่นก็แล้วกัน เราดูท่าแล้วผนจะต้องเยอะแน่ๆ แ, แล้วก้าวก็ยังเด็กมากด้วยอยู่ในงานดูแลลบาบากแม่จึงตัดสินใจเป้าบานให้ทุกคนจึงไปช่วยงานศพหมดเหลือเพียงแต่แม่และก้าเพียงสองคนเท่านั้นที่อยู่บ้านคืนนั้นเวลาผ่านไปเรื่อยๆจนดึกแม่ยังนอนไม่ได้เพราะก้ายังไม่นอนบรรยากาศ ร, รอบตัวก็เงียบมาก ไม่มีเสียงอะไรเลยนอกจากลมนอกหน้าตา่างระหว่างที่แม่กำลังให้นมก้าวอยู่นั้นแม่ก็ได้ยินเสียงดังหยุดลงขอบเตียงที่นอนอยู่เสียงนั้นดังวนไปวนมาหลายรอบแต่เมื่อมองไป ร, บรอบๆก็ไม่เจออะไร พอแม่ทําท่าจะนอนต่อเสียงเดิมนั้นก็กลับมาสักพักแม่ก็เห็นภาพเหมือนตกอยู่ในผวังซึ่งเป็นภาพของตาทวดก่อนที่ท่านจะเสียตาทวดนั้นกําลังนอนอยู่กลางบ้านห่างจากเตียงที่แม่นอนอยู่ประมาณสองเมตรซึ่งกําลังเคาะส้นเท้าด้วยความเจ็บปวดตาทวดอันหน้ามามองแม่จากนั้นแกก็ค่อยๆเอาแขนดันตัวเองให้ลุกขึ้นมา นั่งเหยียดขาโดยที่สายตากูแกนั้นยังจ้องมองหน้าแม่อยู่ตลอดเวลาแกนั่งอยู่ท่าเดิมแล้วตัวแกก็เริ่มลอยออกห่างไปเรื่อยๆจนลอยไปชิดติดประตูห้องที่แม่นอนอยู่ตาทวดลุกขึ้นแล้วไปเกาะผนังจากนั้นก็คลานไตผนังมาเรื่อยๆจนเข้ามาใกล้ถึงตัวแม่แล้วแกก็ลงจากผนังเขามานั่งยองๆข้างตัวแม่ แล้วกระซิบว่าทาไมเองไม่ไปงานศพกูแม่ตกใจกลัวมากรีบวิ่งออกไปหน้าบ้านเพื่อจะไปงานศพจนลืมก้าวทิ้งเอาไว้อยู่ในห้องแต่พอนึกขึ้นได้ว่าลืมเก้าวเอาไว้ก็รีบวิ่งกลับมาอุ้มก้าแล้วตรงดิ่งไปบ้านที่จัดงานศพในทันที สัมผัสสยอง